บ้านห้วยทรายจังหวัดมุกดาหารหลังท่านอาจารย์มั่นได้ม ร, รณภาพท่านหลวงตาจำพรรษาที่บ้านน้องผือได้หนึ่งพรรษาจากนั้นก็ไปจำพรรษาที่บ้านห้วยทราย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 ต่อพระเนรยุคบ้านห้วยทรายว่าท่านพระอาจารย์มหาบัวท่านเข้มงวดกวดขันกับพระเนนที่ไปปฏิบัติกับท่านมากยามค่ำคืนท่านอาจารย์มหาบัวจะลงเดินตรวจพระเนนในวัดโดยไม่ใช้ไฟฉายว่าพระเนนองไหนทำความเพียรอยู่หรือเปล่า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 นิมนต์ออกไปจากวัดเสียฉะนั้นพระเนนยุคบ้านห้วยทรายภายใต้การนำของท่านจึงมีความภาคเพียรในด้านการทำสมาธิภาวนาเป็นอย่างมากต่างองค์ต่างลักกันแอบปฏิบัติคือบางองค์เวลาหมู่เดินจงกรมจะขึ้นกุฏิแล้วไม่จุดไฟทำท่าเหมือนกับว่า น, นอน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 หลวงพ่อนินข้าพเจ้าหลวงปู่ล่าคุณเพียนคุณสุพัฒคุณเพ่งคุณสีหาคุณลีคุณสวา่าและเนนน้อยเนนน้อยอีกองค์เนนบุญยังเนนโสปฏิปทาของหลวงปู่มหาพาธรรมเหมือนสมัยยุคหนองผือหลวงปู่มั่น